มาศึกษาธรรมะนะสิ่งที่เราจะได้มาจริงไม่ค่อยได้อะไรไม่ได้อะไรไม่เสียอะไรได้ความเข้าใจลดละความเห็นแก่ตัวลงไปคนเราวุ่นวายทุกวันนี้เพราะเห็นแก่ตัวรักตัวเองไม่รักคนอื่นเลยศานะ ส, สนาคริสต์เขาก็ฉลาดนะสอนให้รักคนอื่นให้ลดละความเห็นแก่ตัวลงบ้างนักปราชทั้งหลาย ก, ก็มองมาที่จุดเดียวกัน ในศาสนาพุทธเรามีวิธีการนะที่แตกต่างจากคนอื่นเราลดละความยึดถือในตัวเองละลดล ะ, ล ะ, ละความเห็นแก่ตัวเนี่ยด้วยการเรียนให้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนี่เป็นพุท ธ, ธวิธีงั้นถ้าเราภาวนาไปเรื่อยมันจะลดละความเห็นแก่ตัวลงไม่ใช่ยิ่งภาวนายิ่งเห็นแก่ตัวนะภาวนาแล้วมันตัวเราไม่มี ตัวนี้โลกวุ่นวายดูบ้านเมืองวุ่นวายลึกลงไปแต่และคนเห็นแก่ตัวนะเราพูดโดยหลักการนะหลวงพ่อไม่เข้าข้างไหนไมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีฝ่ายสีเหลวสีแดงหรอกนี่สีนี้สีอะไรกัรู้เรียกไม่ถูกสีอะไรมันเป็นหลายๆอย่างปนปนกันนะเราสีอย่างเนี้ยก็เก่าหน่อยก็ซีดนะมันวุ่นวายขึ้นมาเพราะเห็นแก่ตัวนะ ลดค ว, วามเห็นแก่ตัวลงไปแล้วก็ชีวิตจะได้สงบสันติบ้างรู้จักพอคนเห็นแก่ตัวเพราะไม่รู้จักพอนะมีเงินเท่านี้ไม่พอมีอำนาจเท่านี้ไม่พอมีชื่อเท่านี้ไม่พออยากไปเรื่อยทรัพยากรมันมีจำกัดเนความอยากมันเยอะมันก็ต้องไปแย่งคนอื่นสิเต้า อ, อีนายกมีตัวเดียวนี้ใช่ไหมมันก็ต้องแย่งกั น, นใช่ไหมนี่คนเราใจกว้างหน่อยนะ ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนนะสังคมก็ไม่เดือดร้อนมันวุ่นวายไปทุกวงการวงการพระก็ยุ่งเพราะมันเห็นแก่ตัววงการไหนมันก็ยุ่งเพราะมันเห็นแก่ตัวไปหมดเลยนั้นะเราค่อยๆลดละความเห็นแก่ตัวของเรานะวิธีลดละความเห็นแก่ตัวเราเนี่ยรู้จักให้ซะบ้างอันนี้พูดเนี่ยไม่ได้ว่าให้หลวงพ่อนะหมายถึงให้กับคนอื่นบ้างให้กับสังคมบ้างไม่ใช่จะเอาจากสังคมอย่างเดียวนะรู้จักเป็นฝ่ายให้บ้างแล้วมีความสุข เห็นคนตกทุกข์ได้ยากเห็นสังคมไม่ดีอะไรนี่ช่วยเหลือกันนะเท่าที่ช่วยได้แล้วก็สำรวจใจตัวเองไปความอยากอะไรที่มันล้นเกินเกินจำเป็นอะ่ะอย่าไปอยากเลยนะบางคนนะ่ะมีเสื้อผ้าเยอะเลยเยอะเก็บไว้รกๆบ้านหนละงพ่าเคยเจอนะบางบ้านเนี่ยหาที่เดินแทบไม่ได้เลยของนี่กองอยู่ทั้งเดินต้องเดินซอกนี้นะอย่าเดินซอกอื่น ในบ้านไม่มีคำอย่างอื่นเลยมีแต่คําว่าซอกอมีนะเจอแล้วงงเดินเข้าไปได้งไงวะเนี่ยเราไปไม่อยากบอกนะว่าบ้านญาติเราเองอะ่ะ <c oughs> เข้าไปแล้วนิมนต์นิมนต์เข้ายัางไงวะ <c oughs> เรานี่งงมากเลยพวกติดอยู่แค่ซอกแรกนั่นแหละ <c oughs> ถามว่าเก็บไว้ทําอะไรเก็บไว้เผื่อจะใช้กี่ชาติแล้วที่ไม่ได้ใช้ต้นะองสํารวจดูนะอย่างเสื้อผ้าเราเยอะแยะไปหมดเลยนะเก็บเก็บไวนะ้อันไหนที่3ปีแล้วไม่เคยหยิบขึ้นมานะแจกไปเถอนะคนอื่นเขาจะได้ใช้ประโยชน์บ้างนะนี่เรามีของไม่ไม่จำเป็นนี่เต็ไมไปหมดเลยมือถือทําไมต้องมีตั้งเยอะแยะมีสองหูเองมือถือมีตั้งหลายเบอร์นะ เรามีอะไรที่ล้นเกินเต็มไปหมดน ะ, ฉะเฉลี่ยไว้ให้คนอื่นเขาบ้างนี่เราสำรวจใจนะลดความเห็นแก่ตัวลงรักคนอื่นบ้างสงสารคนอื่นบ้างมองคนอื่นด้วยความรักความเมตตาบ้างใจเราจะร่มเย็นนะร่มเย็นอย่างหลวงพ่อดูพวกเราดูด้วยความสงสารนะบางวันน่ะเหนื่อยมากบางวันไม่สบายมานั่งตาแปว๋วเราก็ต้องพูดแล้วไม่พูดก็ไม่ได้สงสาร ที่สงสารมากเลยคือสงสารกลัวโยมมาสงสารหลวงพ่อเวลาโยมเห็นหลวงพ่อโ <c oughs> ยมจะไปขนยามาเพียบเลยนี่ยาจีนนะคะนี่ของหมอฉนินดีที่สุดเลยนะคะนี่ใหม่ ก, ก็เลยนี่ของหมอหลี่ก็ดีกว่าของหมอฉนินอะไรเงี้ยนะหมอ น, น, อน้นหมอ น, นี่โอ้เต็มไปหมดเลยนะบางทีเราก็ต้องไม่ให้ป่วยให้เห็นหรอกนะตาแป๋วแป๋วหน้าสงสาร แค่ลดความเห็นแก่ตัวลงนะวิธีสํารวจใจตัวเองด้วยความซื่อตรงมันเห็นแก่ตัวมากไหมสํารวจด้วยความซื่อตรงเลยมีสติรู้ทันจิตตัวเองนี่แหละดีที่สุดเลยมันเห็นแก่ตัวขึ้นมารู้มันยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองก็รู้คนในโลกทะเลาะกันด้วยสองเหตุผลเท่านั้นนะฟังแล้วมีเหตุผลมากมายแต่พระเจ้าสอนว่าคนในโลกทะเลาะกันด้วยสองอย่างด้วยตัณหากับด้วยทิฏฐิตัณหาก็คือผลประโยชน์มันขัดกัน อยากได้แล้วมันไม่ได้ไอโคโนนู้นมันได้ไปไม่ชอบมันหาทางล้างมันทำลายมันทิฐิมีความเห็นไม่เหมือนกันเนี่ยท่านว่าฆราวาสกับฆราวาสนะทะเลาะ ก, กันด้วยปัญหาและทิฏฐิส่วนพระกับพระทะเลาะ ก, กันด้วยทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันสอนไม่เหมือนกันก็ฆ่ากันตายอะไรย่างเงี้ยแต่ผลประโยชน์ก็มีนะเดี๋ยวนี้พระพระก็เป็นโยมเหมือนกันเป็นโยมใส่ผ้าเหลืองนะอย่างนั้นก็มีเหมือนกันแค่เราสํารวจใจของเราด้วยความซื่อตรงนะ เรียนรู้ลงไปความไม่ดีอะไรซ่อนเร้นอยู่ในตัวเองขุดคุยมันออกมาดูนะอย่าไปดูคนอื่นดูของเราเองเราจะเห็นเลยว่ากิเลสของเรานะั้นมากมายสาหัสา ก, กันเลยจะหาผู้ร้ายสักคนไม่ต้องไปหาไกลหาที่ใจเรานี่เองใจเราเนี่ยปรุงกิเลส ท, ทั้งวันปรุงกิเลส ท, ทั้งคืนไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะปรุงความรักตัวเองปรุงความเห็นแก่ตัวปรุงความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นนะปรุงความอยากนานาชนิด ให้เรารู้ทันไว้นะถ้าเรารู้ทันไว้กิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้เราจะมีเหตุผลในการดํารงชีวิตคนทุกวันนี้ไม่มีเหตุผลในการดํารงชีวิตนะเพราะว่ากิเลสมันครอบงําจิตให้เรามีสติรู้ทันจิตไปกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันเราจะเหลือแต่เหตุผลนะเหตุผลในการดำเนินชีวิตภาคเพียร น, นะอย่างน้อยเราช่วยสังคมใหญ่ไม่ได้สังคมย่อยๆรอบๆตัวเราในครอบครัวเราในอะไรเงี้ย มันจะได้ดีขึ้นบ้างเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆก็ยังดีเป็นแสงสว่างให้โลกเขาเห็นบ้างนะช่วยกันจุดไฟเขา้านะจุดเทียนเข้าดวงน้อยๆแต่ละคนทำตัวให้มันดีขึ้นดีขึ้นมีความสุขให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างนั้นะแต่ละคนดีขึ้นเป็นไฟดวงเล็กๆอย่านึกว่าไม่สำคัญนะท่ามกลางความมืดมิดอย่างนี้นะแสงไฟชั้นิดหนึ่งก็สาคัญนั้นะทุกคนสาคัญนะักเทียนภาวนาเขา้าดูจิต ด, ดูใจไป กิเลสเกิดรู้ทานรู้ทานรู้ทานนะชีวิตจะดีขึ้นแล้วมันจะช่วยสังคมได้ด้วยอย่างหลวงพ่อภาวนาหนึ่งคนที่มันหลวงพ่อมาสอนโยมได้เป็นแสนแสนเนี่ยะพวกเราก็เหมือนกันนะแต่ละคนภาวนาไปเราไปเราไปช่วยคนอื่นได้อีกเยอะแยะเลยเอา้าวตรวจกันบ้านอสการค่ะเมื่อคืนก็เหมือนกับว่ามันหลับหลั บ, ลบตื่นตื่ น, นะคะ่ะคือมันเห็นว่ามันหลับแล้วก็ ตื่นมาคิดคิดคิดคิดแล้วมันก็หลับสลับกันไปนะคะก็อย่างนั้นแหละทั้งคืนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็เมื่อเช้าตื่นมาก็ลงจากเตียงแล้วก็เดินก็เห็นไอ้ตัวเนี้ยเห็นมันไปเดินอัตโนมัตินะคะเหมือนว่ามันไปดูของมันเองเออนั่นแหละสติจริงๆมันเกิดแล้วมันเห็นเองไม่ได้เจตนาเนื้อฝึกที่สอนมาแทบเป็นแทบตายก็เพื่อให้เป็นอย่างนั้นแหละให้สติอัตโนมัตินะให้สมาธิอัตโนมัติให้ปัญญามันอัตโนมัติขึ้นนะค่อยฝึกไป หัดรู้สภาวะไปด้วยต่อไปส ต, ติอัตโนมัติหัดรู้ทานจิตที่ส่งออกไปจิตที่ไหลไปนะต่อไปสมาธิอัตโนมัติหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจดูเขาทํางานไปเรืยต่อไปปัญญาอตั ต, าาญญาาอตโนมัตินะถ้าศีลสมาธิปัญญาทํางานโดยอัตโนมัตินั้นประชุมลงที่เดียวกันนะอริยามรรคจะเกิดขึ้นถ้ายังมีความจงใจสักเล็กสักน้อยนะจงใจจะดูด้วยสติจงใจจะประคองจิตให้สงบด้วยสมาธิจงใจจะค้นควาน้าพิจารณา จะไม่เกิดมัก่กแต่อาศัยการฝึกให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญานี่แหละค้นคว้าพิจารณาอยู่ในกายในใจเลยเป็นทางเดินนะเป็นทางเดินแล้ววันหนึ่งมันอัตโนมัติขึ้นมาฝึกไปจนมันอัตโนมัติอย่างนี้เริ่มมีสติใช่ไหมแต่แล้นานๆมีทีฝึกไปเรื่อยนะจนอัตโนมัติได้บ่อ ย, อยๆเลยนะไปทําอีกไหมอยากพูดเห็นไหมเห็นค่ะเออ <c oughs> เห็นแล้วมันดับไปยังต <c oughs> อนนี้ดับแล้วคะ่ะ หับแล้วส่งไมค์ไปนมัสการ์หลวงพ่อก็จิตเสียนิดนึงค่ะเพราะว่า<ะ>คิดจิตเสียค่ะเพราะว่ามัวมัวมั น, <อ>มนป่วยอะไรมันถึงเสียมันห่วงกับการบ้านนหะคะ่ะอ๋อเบกรกมส่งกันบ้านหลวงพ่อนะง่ายตอนนี้มีกิเลสอะไรเนี่ยแค่เล่าให้หลวงพ่อฟังแค่นี้ก็สอบได้แล้ว หลวงพ่อเขามีเรื่องจะถามอะค่ะเวลาไปเดินหรือว่าไปรู้ร่างกายอะค่ะเรารู้สึกว่ามันรู้ขึ้นเป็นบางส่วนอันนี้คือเราถลำไปรู้หรือเปล่าคะเออมันไปโฟกัสลงไปที่บางจุดนะก็แค่รู้รู้บางส่วนก็รู้บางส่วนนะรู้ทั้งตัวก็รู้ทั้งตัวถ้าจงใจรู้ทั้งตัวบางคนคิดว่ารู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้ทั้งตัวแล้วก็พยายามทําจิตไว้สูงๆเนี้ยแล้วก็รู้ทั้งตัวอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เลย อันนี้แกล้งรู้ไม่ใช่รู้จริงมันรู้เป็นแวบๆปะค่ะเดี๋ยวรู้มือเดี๋ยวรู้เท้าไม่เป็นไรนะสติะระลึกรู้อะไรลงไปตรงนั้นก็ไม่มีเราค่ะรู้สึกไหมพอระลึกปุ๊บไม่มีเราละยังไม่เห็นว่าไม่มีเราค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันข้ามไปเห็นเฉย ๆ, ๆแล้วก็ไปเห็นอย่างอื่นต่ออเห็นบ่อยๆบ่อยๆแล้วปัญญามันเกิดมันจะเห็นว่าไม่มีเราค่ ะ, ะ, คะชมพูอะไม่จบหรือนิดนึงค่ะแล้วก็เวลา ลืมไปแล้วตาหลว ง, งพ่อมีอะไรจะแนะนํำไหมคะแนะนำแล้วไปเนื่องลืมไปหมดแล้วพี่จะถามวันนี้ฟุ้งซ่านแล้วก็มัวกว่าเมื่อวานเออนะทําไมล่ะสั่งมันได้ไหมไม่ได้ค่ะยอมรับไหมว่าสั่งไม่ได้ยังไม่ยอมไม่ยอมนั่นแหละไปรู้ทันใจไม่เป็นกลางกับนรสการหลวงพ่อครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่สองที่ได้ฝึกนะครับก็ ช่วงเช้านั่งสมาธิปรากว่าหลับเพราะว่าปกติผมเป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ได้นั่งไม่ถึงห้านาทีก็จะหลับก็พยายามอยู่ครึ่งวันเช้าก็พบว่าอย่าไปคือคือพอง่วงนะฮะก็โมโหมากจนจนบอกว่างั้นลองหลับดูว่ามันจะหลับไหมเราบอกว่าหลับยั่วกิเลสไม่ได้นะอครับกิเลสนี้ยั่วไม่ได้จริงต้องดูนะ หลับเนี่ยมีสองอันนะหลับเพราะร่างกายเนี่ยอันหนึงนน่งไม่ใช่กิเลสหลับเพราะจิตใจท้อแท้หดหูขี้ขี้เกียจขี้คลานอีกอย่างหนึ่งอันนี้เพราะกิเลสนะครับอย่างเรากินข้าวใหม่ๆแล้วง่วงอะไรเงี้ยไม่ใช่กิเลสนะเป็นเรื่องทางร่างกายแล้วของคุณหลับมันเพราะกิเลสหรือเพราะร่างกายน่าจะพะกิเลสครับเพราะว่าตอนกลางคืนก็นอนตั้งแต่ เสามทุ่มสามทุ่มตื่นตีห้ามันยังมาง่วงได้ทั้งทั้งที่ก่อนนอนก็จดบันทึกนะฮะว่าเราปฏิบัติอะไรก็จดอยู่ตอนจดก็ตื่นอยู่นะฮะแต่พอหลับปั๊บมันหลับพรากฏว่าเป็นช่วโมงหลับแล้วจะไปจดได้ไงใช่ครับก่อนหลับนะฮะก่อนหลับบันทึกไว้พอช่วงบ่ายก็เลยเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมที่ในกุฏิกว้างพอที่จะเดินก็เปลี่ยนเป็นเดินนะฮะ หนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลาสาสิบวินาทีอืเดินอยู่สองชั่วโมงปรากฏว่าแต่ละรอบนี้จิตกระเจิงคิดตลอดก็ตลอดสองชั่วโมงเนี่ฮะคิดรู้นะฮะว่าจิตไปตลอดนะฮะจดครบสองชั่วโมงครับอพอหยุดเดินจนครบจิตเการวมปะไม่ฮะไม่เห็นว่ากายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูมองไม่เห็นนะครับอย่าอยากสิครับพยายามดูถ้าพยายามจะดูสองชั่วโมงก็ไม่เห็นนะครับ ให้เดินเล่นเล่นเดินเล่นเล่นไปร่างกายเคลื่อนไหวแค่รู้สึกออย่าใจลอยแล้วอย่าไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะแค่รู้สึกถึงร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นะไม่เพ่งใส่มันแล้วก็ไม่ลืมมันไปแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็รู้พอรู้เนี่ยคือไม่เผลอกับไม่เพ่งแต่ถ้าไปเดินแล้วก็พยายามจะดูพยายามจะดูเนี่ยจิตมีโลภะจิตอยากดูให้เห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเมื่อจิตมีโลภะอยู่สติจะไม่เกิดออก นะกิเลสเกิดแล้วสติไม่มีช่องว่างให้เกิดได้เลยครับนะนะี่แหละจะไปอยากนะถ้าอยากแล้วไม่เห็นครับนะขอบพระคุณครับพิธการครับเมืม่อวันนี้จะดีกว่าวันแรกนิดนึงวันแรกค่อนข้างจะฟุ้งธรรมทาครับเมื่อวานก็มีง่วงง่วงมากอืมแต่ว่าก็เปลี่ยนเป็นเดินจมคมก็เดินเดินแล้วก็รู้สึกว่าสติดีขึ้นอืมตอนเช้าก็มั มาสวดธรรมะเช้านะครับก็สวดๆไปจิตมันก็ไปเห็นปากมันขยับขยับต้องอย่างนั้นสิแต่ว่าเห็นมันแวบๆบแบบนะครับเห็นไม่ไม่มีเราครับนะเวลาที่ปัญญาเกิดเนี่ยเกิดเป็นแวบๆบแบบจำไว้นะปัญญาไม่เกิดทีเราเป็นชั่วโมงอะ่ะเวลามันเห็นมันเข้าใจมันเข้าใจเป็นแว บ, บเดียวปัญญาจริงๆเป็นความเข้าใจสังเกต ด, ดูเวลาที่เราเข้าใจอะไรสักอย่างสังเกตไหมเข้าใจในแว บ, บเดียว อย่างเราอ่านหนังสือที่ยากๆเล่มหนึ่งนะอ่านเที่ยวที่หนึ่งไม่รู้เรื่องเที่ยวที่สองไม่รู้เรื่องอ่านไปเรื่อยๆถึงจุดที่จะรู้เรื่องนะั้นมันปิ้งขึ้นมาในแว บ, บเดียวนะนั้นเวลาปัญญาจริงๆเกิดนันเกิดในแว บ, บเดียวนั่นแหละถูกล้ครับผมไม่เกิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่เป็นนะไม่เหมือนสตินะสติเกิดเนืองเนืองได้เรื่อยๆปัญญานานๆาาเกิดทีนะไปดูต่อนะไปเอาเชิญเ<ๆ>ชิญเมื่อวานนี้เรียกข้างหน้าหรือข้างหลังก่อน วันนี้เอาข้างหน้าต่อหนะึ่งสองสาแถวที่1แถวที่สองแถวที่สใครมีเหตุผลความจำเป็นเชนิญ2 25ครับนมสักการครับหลวงพ่อ้ส่งกันบ้านแบบรวบยอดครับคือตอนครั้งที่แล้วนี่ที่ท่านบอกว่าผมเนี่ยติดสุกนิดหน่อยให้มีสติรู้ผมก็เลยทุกครั้งแต่นี้ก็เลยพอมีทุกทีก็รู้สติเกิด พอสุกก็ติก็เกิดออันนี้ก็เลยแถมเฉยๆอีกทีหนึ่งมาดูเพราะว่ามันช่วงนี้ก็มีจิตเฉย ๆ, ๆ, ๆด้วยก็ดูเฉยด้วยอครัง้งๆถ่อมาครั้งก็บอกวา่าให้ให้ดูให้ดูว่ากูเก่งให้ดูอะไรนะกูเก่งกูเก่งเออกูเก่งผมก็ใช้เวลาเอ๊ะทำไมคำเอ๊ะมันบอกกูเก่งเราก็มองดูเราไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแต่ก็ใช้พยายามใช้เวลาพยายามดูอยู่ดูอยู่ประมาณแล้วสามเดือนอเห็นมาเห็น เห็นอยู hmm. yeah. well, been, h, mm ่ว hmm. so, mm ่าเวลาจะเอ่ย so, ฟ uh, ิจ so, uh, uh ิส huh. nice. uh ังขาขึ huh. exactly. mm ้นมาปุ๊บอืมอุ๊ยอันนี้ใช่เนี่ยไงก็เลยไม่พูดเลยว่ามันขึ้นมาทุกครั้งเออเอ๊ะก็เลยขึ้นเอ๊ะมันนี่คือพวเก่งเนี่ยก็เลยมาจับได้ว่านี่คือเอ่อเอ็นเนี้ยเราจะดูได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะครับเพราะตัวนี้มันบ่งการพฤติกรรมเราใช่ครับแล้วทีนี้ก็ถึงตอนสุดท้ายก็ อยากถามท่านว่าเพราะว่าส่วนใหญ่มาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ถามอยากถามว่าตอนนี้ผมควรจะปรับปรุงหรืออะไรทําอะไรบ้างให้เป็นธรรมชาตินะรธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยตามรู้ไปถึงเวลาก็ทําในรูปแบบครับทําไม่หวังผลทําบูชาพระพุทธเจ้าไปเดี๋ยวคำว่ารูปแบบนี้คือค อ, อะไรฮนะเช่นไหว้พระสวดมนทําสมาธิเดินจงกรมอะไรถ้า<ม>เราจเจริญสติในชีวิตประจําวันอย่างเดียวนะครับ แรงไม่พอจุดหนึ่งไม่มีแรงดูเหมือนรู้แต่ไม่รู้จริงตอนนี้แรงมันไม่พอครับนะก็ทําในรูปแบบบ้างี่รูปแบบนี้ผมเดินจงกรมไม่สําเร็จเลยเท่าไหร่เวรื่องใหม่ก็ได้นะครับแค่นี้นะครับนาสานนะครับตอนนี้แรงมันไม่พอใจมันไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นดูออกไหมมันเพิ่งตกอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์ก่อนยังดีอยู่มันขึ้นลงครับนะ 73ดีใจั้มเสื้อแดงดีใจค่ะ ừ, รู้ไหมว่าดีใจรู้ค่ะแน่ใจนะวพรารู้ว่าไปได้ฟังสิดิีหลวงพ่อมาสามสามเดือนกว่าค่ะแล้วก็แรกๆนี้เริ่มดูแล้วจะพอพอจิตมันได้ข้อธรรมเนี่ยมันจะเกิดปิติแต่หลังๆมานี่พอได้ข้อธรรมปุ๊บครั้งล่าสุดเนี่ย จิตเป็นกลางแล้วก็มีกุศลเห็นเลยว่ามีกุศลแล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เห็นความคิดมันคิดแต่ไม่ใช่เราคิดมันคู่ขนานกับตัวเราดีมากแล้วแต่วันนี้เมื่อคืนแล้วันนี้ค่ะมันปุ้งแล้วก็ปรุงไปกับมันตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะใช่ได้แล้วไปทำต่อนะขอพระถึงเวลาต้องทาในรูปแบบบ้างแล้วล่ะค่ ะ, ะจะได้เพิ่มพลังถ้าเราไม่ทาเลยนะ ไม่ไหวพลาดสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเนี่ยไม่มีวินยัยนานๆไปเราย่อหย่อนเราก็จะพูดอยู่อย่างเดียวว่าจเจริญสติในชีวิตประจําวันยิงดูไม่ถึงจิตแล้วใจมันล่องลอยนะนี่นเราต้องทํานะาต่อไปเบอร์ร้อยสกราบนมัจการค่ะจะกลับบุรีลำแล้วค่ะเหร อ, อเป็นบุรีลำเหรอ จ, จ oh. อ้าโอ้รู้จ<า>กักหลวงปู่สุวัสดิ์ป่ะแต่ก่อนเคยไปหาหลวงปู่สุวัสดิ์ไหม เนาะน่ารักเนาะเก่งนะหลวงปู่สวัสดิ์อยากให้หลวงปู่หลวงพ่อเมตตาจะเมตตาอะไรล่ะเมตตาแนะนําที่จะไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปนะรักษาศีลแล้วรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันถึงเวลาทําในรูปแบบให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกระตัวฝึกอยู่อย่างนี้แหละมีแค่นี้แหละศีลสมาธิปัญญาที่เหลือวิมุตต์มันเกิดเอง มาผลเป็นเกลเองแล้วขอการบ้านหลวงพ่อด้วยจ้าอ้าวให้แล้วนะจ้าอ้าเวเบอร์ร้อยหนึ่งจ้อยู่ข้างหน้าร้อยหนึ่งกราบนมาส ก, การหลวงพ่อครับวันนี้ผมมีคำถามมากราบเรียนถามสองข้อคือข้อแรกเวลาที่ผมหายใจหรือว่าเวลาที่คิด<ม>เวลาที่พูดมผมจะเห็นความรู้สึกในใจมันขยับขยับขยับดีดีแล้ว มันเหมือนกับว่าภายนอกกับภายในต่างคนต่างทํางานถูกต้องแล้วมันภายนอกภายในนี่มันคล้ายๆกับว่ามันแยกกันเป็นคนละส่วนนะครับถูกต้องแล้วไอ้ขยับขยับเนี่ยนะขยับไม่เลิกหรอกต้องฝึกกันไปนานเลยจะกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันจะคิดนึกปรุงแต่งนะไม่มีความเคลื่อนไหวภายในขึ้นมาเลยภายในนี่เงียบสนิทเลยนะตอนนี้ยังขยับอยู่ยังเป็นภูมิที่ยังขยับอยู่นะค่อยฝึกไปละดีแล้วล่ะ การภาวนานะพอถึงขั้นละเอียดเนี่ยเหลืออยู่แค่นั้นแหละมีแต่ไหวยิบยับยบยับยบอยู่ข้างในนิดๆหน่อยๆ น, นะให้รู้ด้วยความเป็นกลางอย่าถล่มลงไปรู้นะครับผมตัวนี้สําคัญที่สุดเลยหลวงพ่อเคยเสียเวลาไม่ถล่มลงไปดูแล้วลึกลงไปเรื่อยๆนะเจอหลวงปู่สิมโดนท่านโขกออกมาท่า น, นบอกออกมาอยู่ข้างนอกออกมาอยู่ข้างนอกงั้นเราเห็นไหว ย, ยิบยับเนี่ยดูห่างๆดูสบายๆดูไม่เห็นคนอื่นใช้หลักนี้เลยนะดีหมายหมายความว่า ปล่อยให้เขาขยับเองใช่ไหมครับให้เขาขยับเองสังเกตไหมแค่กระพริบตามันยังขยับเลยใช่ครับไม่ขยับตลอดเวลานั่นแหละตัวสังขารมันปรุงแล้วมันปรุงอยู่กลางอกนะเราก็มีหน้าที่แค่รู้อย่าถลําลงไปจ้องใส่มันครับผมฝึกอย่างนี้แหละดีมากแล้วคําถามข้อที่สองคือว่าเวลาผมนั่งสมาธิผมจะดูความรู้สึกในใจที่มันขยับขยับดูไปเรื่อยๆแล้ว ความรู้สึกทางร่างกายมันจะค่อยๆเบาบางลงเบาบางลงแล้วแล้วมันจะมีภาพนิมิตเกิดขึ้นอภาพนิมิตเวลามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความรู้สึกในใจมันก็จะขยับขยับขยับดีถ้าเห็นแต่ภาพนิมิตไม่รู้ที่ใจเรานะใช้ไม่ได้ถ้ามีนิมิตเกิดขึ้นแล้วเห็นใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใช้ได้เรายังรู้ทันจิตตัวเองอยู่ใช้ได้มันมันตอนที่เห็นภาพนิมิตแล้วใจมันขยับขยับเนี่ยมันเหมือนกับว่า ภายนอกมันหลับแต่ภายในมันตื่นขึ้นมาใช่นะมันจะตื่นเนี่ยนั่นแหละหลวงพ่อเคยเป็นนะแล้วเห็นไหวๆเนี่ยขยับอยู่นี่นนะไม่ใช่แค่ขยับนานๆขยับเวลากระทบอารมณ์นะ <c oughs> สุดท้ายมันเหมือนก็เป็นความสั่นสะเทือนไหวพิ่แป๊ๆๆอยู่งนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะเห็นอยู่อย่างนี้ทั้งหลับทั้งตื่นเลยเห็นอยบเตือนกว่าๆเหนื่อยที่สุดเครียดที่สุดเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะไม่รู้จะทํายังไงดีนะวิ่งไปหาหลวงพ่อพุธน่ะจริงไม่ได้วิ่งหรอกนั่งรถทัวร์ไป นั่งรถทัวร์ไปแล้วก็ไปเดินไปหาท่านไปถามท่านเนี่ยมันไหวยิบยับยิบยับนะวันนั้นเป็นวันบูรพาจารย์พอดีเลยเป็นวันที่หนึ่งธันวาทุกปีที่วัดป่าสารวัตรนะจะมีวันบูรพาจารย์คนมาเต็มเลยพระก็เต็มเลยเราไปที่กุฏิท่านท่านยังไม่ได้ขึ้นเทศท่านพยายามสอนนะบอกว่าการภาวนาเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดนะมีแต่ไหวยิบยับยิบยับท่านว่อย่างนี้นะครับบอกเอ้ผมก็เห็นนะมันไหวยิบยับยิบยบัแต่มันทุกข์นะ เมื่อไรมันจะผ่านตัวนี้ได้สตีเนี่ยท่านพยายามสอนอยู่อย่างนี้นะนานมากเลยนานจนพระมาตามหลายรอบนะบอกหลวงพ่อโยมรออยู่แล้วเอาไว้ก่อนสอนเราต่อสอนสอนสัาพากพักเดี๋ยวพระมาอีกองละมาตามมามีพระมารอเยอะแยะแล้วครับไม่ยมรอแล้วคราวนี้พระรอรอให้รอไปก่อนนะตรงนี้สําคัญกว่านะพยายามสอนหลวงพ่อนะเรื่องว่าไอ้ยิบยบัยิบยับเนี่ยเป็นธรรมดา เราไม่เห็นว่าธรรมดาเราเห็นว่ามันทุกข์อย่างเดียวเลยเราเบื่อเต็มทีแล้วไม่พ้นมันสัทีนะในสุดเราทนไม่ได้แล้วก็บอกท่านบอกหลวงพ่อไปเทศเดี๋ยวผมจะค่อยหาทางไปจัดการมันท่านมนาะแก้ให้เรานะจนท่านเหนื่อยนะหอบเยนหนืนะ่อยเหนื่อยแก้ไม่ตกกลับมาบ้านนะเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบัวเคยเขียนจดหมายไปถามแล้วท่านก็ตอบมาคราวนี้ท่านตอบนะตอบสั้นๆบอกเราเพิ่งไปทําตามาให ม, ามา่ เขียนหนังสือยาวไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านเองให้ทําเตรียมพร้อมมาเล่มไหนแค่นี้เห็นแล้วตกใจนะหนังสือเล่มเบอร์เลยจะถามท่านจุดนิดเดียวเรื่องจิตที่ไหว ย, ยิบยับนี่เองท่านให้อ่านแล้วก็ยกมือไหว้ท่านนะกราบหนังสือเลยนะหยิบขึ้นมาเปิดนะอัศจรรย์ที่สุดเลยอัศจรรย์ของท่านนะไม่ใช่ของเราไม่รู้ท่านทํำยังไงนะเราเปิดโพหน้านั้นเลยล่ะอ่านมันหน้าเดียวนะั้นแหละจบเลยท่านสอนเหมือนลงพ่อพุทธเปียบเลย ว่าภาวนาพอตื่นข้าศละเอียดนะมันไหวยิบยับยิบยับเสร็จแล้วเราก็ยังรู้สึกไม่ตกอีกโอ้ท่านตอบเหมือนที่หลวงพ่อพูดตอบนะก็ใจเราตอนนี้ทุกข์ทั้งนั้นเลย mm. เห็นยิบยับยบนี่ราทุกข์ตลอดเลยไม่รู้จะทํำยังไงนะวันนั้นใจมันก็นึกเลิกปฏิบัติสักวันเถอะขอไม่ดูสักวันบอกว่าขอไม่ดูสักวันนะจิตก็ไม่ยอมนะสติมันาัตโนมัตินะมันเห็นได้ยิบยับยิบยับอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วมันนึกขึ้นได้โอ้เราทําสมถะดีกว่า ไม่รู้จะทําอะไรแล้วทําสมถะกําลังไปยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์จะไปทํางานอยู่รอรถเมย์รถเมย์ยังไม่มานะรู้ลมหายใจเลยหายใจเข้าพูุทหายใจออกโทนับหนึ่งนับได้28ครั้งนะจิตสงบลงไป้อจิตสงบแนละ้วพอจิตถอยขึ้นมานะไปรู้ยิบยับนะยิบยับขาดไปนะยิบยาบขาดไปเรารู้สึกเหมือนลองวิเกเอ น, นะแบบนั้นะไม่ใช่มักผลอะไรหรอกนะยังแต่ จ, จิตมันได้พักนะ วันเวลาที่เราเห็นยิบยับยิบยับเนี่ยถ้าเห็นไปเรื่อยเรืดูไปเรื่อยบางทีเหนื่อยหมดแรงนะอย่างนี้ไม่ดีครับก็ทําความสงบเข้ามาพักผ่อนไม่ได้ดูยิบยับแล้วทำความสงบนะทำสมถา น, นั่นเองพอจิตสงบแล้วออกไปรู้อารมณ์นะมันก็คือสภาวะอันเดียวกับอย่างอื่นนั่นแหละเกิดระดับทั้งสิ้นทั้งนั้นหมายหมายถึงว่าหลวงพ่อพหมายถึงว่าให้ให้หยุดพักการดูความรู้สึกในใจใที่มันขยับใช่ไหมถ้าดูได้ดูไปก่อนนะ ถ้ดูไปจนทนไม่ไหวแล้วนะโอ้โหจนไม่ไหวนะทําความสงบเข้ามาครับนะแต่ว่าทุกวันถ้าดีที่สุดเนี่ยแบ่งเวลาไว้ทําความสงบนะหมดเวลาทําความสงบมาดูยิบยับตัวนี้ต่ออ๋อหมายความว่าให้เปลี่ยนไปดูลมหายใจเข้าออกบ้างใช่ไหมครับใช่ทําความสงบบ้างนะคถ้าตะ <ผม S 2> ลุมบอลดูยิบยับไปื่อยเนี่ยไม่ขาดหรอกครับผมแต่ถ้าไม่เห็นยิบยับเลยก็ไม่ขาดอีกครับแล้วแล้ว อย่างเวลาดูความรู้สึกในใจที่มันขยับเนี่ยแล้วความรู้สึกภายนอกมันค่อยๆเบาลงเบาลธ <ง S 2> รรมดา<ง>เพราะจิตมันไปรู้อารมณ์ข้างในแล้อารมณ์ข้างนอกก็ดับจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอันเดียวนะพารู้อารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกก็ไม่ชัดแล้วเป็นปกติอ๋อไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทําให้ภายนอกมันชัดขึ้นมาไม่<ช>ไม่ไม่ไมเห็นอันใดอันหนึ่งพอละครับผมนะดีพานาอย่างเนี้ยถูกอกถูกใจพูดแล้วไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องเนี้หลวงพ่อชอบ <c oughs> อ้าวเบอร์สี่สิบแปดสี่สิบแปดเห็นไหมจิตเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนต่างกันไหมดูออกเปล่า ม, มัตการหลวงพ่อครับคือตอนนี้มั น, มนพูดดังๆเราแก่แล้วหูตึงตอนนี้เหมือนไม่มีอะไรให้ดูเลยครับตอนนี้มันนอกเฉยๆแต่ว่าเฉยไหมมันก็เวลากดมันจะจะเห็นชัด ดูไปนะถ้าไม่มีอะไรดูก็ดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเห็นจิตเคลื่อนไหวไปแล้วจิตสงบจิตนิ่งแล้วหยุดที่ความนิ่งเนี้ยยินดีพอใจขึ้นมาให้รู้ทันถ้าเป็นกลางก็รู้ว่าเป็นกลางแล้วก็ยังดูต่อได้นะแทนที่จะดูว่านิ่งแล้วไม่มีอะไรให้ดูนะพอ ว, ว่างแล้วเนี่ยใจยินดีรู้ว่ายินดีหรือใจเป็นกลางรู้ว่าเป็นกลางรู้ทันใจต่อไปอีกนะอย่าไปติดในว่างอันนี้เรียกว่า ติดติ้นิ่งติดว่างหรืยังไม่ติดยังไม่ติดยังไม่ติดถ้าติดเนี่ยจะมีราคะจะพอใจในความสุขตอนนี้ยังไม่ได้ติดยังอยู่ในทางอยู่ยังอยู่หลวงพ่อมีอะไรแนะนํำไหมครับอยู่ตรงนี้ดีแล้วนะแต่ว่าพอจิตมันขยับเพเิ่งเคลื่อนไหวก็แค่รู้เท่านั้นเองรู้สึกไหมโลกธาตุนี้ห่างๆออกไปหมดแล้วอครับรู้สึกไหมไม่มีเรากลวงๆไปหมดเหลือแต่ใจอันเดียวเป็นเราตอนนี้มันยัง ยังไม่รู้สึกไม่รู้ครับเออไม่รู้ไม่เป็นไรนะรู้สึกอย่างนี้แหละ ร, ร, รู้สึกบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆไปแล้วก็ตอนนี้ผมทำในรูปแบบน้อยครับทำ ไ, ไหนสิทำบ้างรักษาระเบียบวินัยไห้ทาก็มันบางทีมันเหนื่อยก็เลยส่วนใหญ่จะจะหลับส่วนใหญ่เอาตั้งแต่ตอนตื่นสิตื่นแต่เช้า <c oughs> อ่ะร <c oughs> ีบทําก่อนครับเย็นกลับมาบ้านมันหมดแรงแล้วมา น, นั่งหลับไม่เอา นะถือกลับมาบ้านตอนเย็นหมดแรงแล้วรีบนอนเลยแล้วตื่นให้เร็วขึ้นนิด น, นึงนอนให้ไวขึ้นแล้วตื่นให้เร็วขึ้นครับนะแล้วกลางวันนะหลวงพ่อสมัยก่อนทํานะกินข้าวเสร็จนะี่ภาวนาตอนทํางานอยู่แท้ๆนะกินข้าวเสร็จแล้วภาวนาไม่นั่งเมาสนะ <c oughs> ไม่ถ้าวันไหนง่วงมากก็เดินวันไหนไม่ง่วงมากก็นั่งนะงั้นทําอยู่ทุกวันเลยไม่เลิกเลยมีเวลาเ ล, เล็กๆน้อยๆก็ทํา ขอคุณพอนายได้ดีแล้วละ่ะครับร้อยแปดสิบแปดเชิญเดี๋ยวนี้พอนากันเก่งๆ เ, เยอะมากเลยนบัตการหลวงพ่อครับคือมีมีคำถามว่ามันสามข้อครับข้อแรกก็คือหลังจากที่ลองปฏิบัติ ด, ดูแล้วรู้สึกว่าพอตามดูจิตไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าพอเราพอเรารู้ตัวว่าเรารู้รู้ว่าเราคิดอะไรเราตื่นเต้นเราเราเสียใจหรือว่ารู้สึกว่าความคิดกับกายมันแยกออกมาจากจากตัวผู้รู้แล้วทีนี้ใช่ บางครั้งมันก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความตื่นเบิกบานขึ้นมาแต่ทั้งๆที่เรารู้สึกว่าเราคิดอยู่ว่าเรารู้ตัวหรือเปล่าไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าบางครั้งพอมันเกิดเกิดเกิดตัวรู้อีกตัวหนึ่ะครับตัวนั้นผู้รู้มันจะไม่อยู่แล้วมันจะเหมือนกับจิตตั้งมั่นแล้วก็สว่างขึ้นมาแต่ว่ามันก็แวบเดียวแต่ว่านั่นแหละดูไปนะไม่ว่ามันไม่ว่ามันจะเป็นยังไงไม่ว่ามันจะแยกหรือไม่แยกนะจะเบิกบานหรือไม่เบิกบานมันก็ชั่วคราวทั้งหมดเลยดูแค่นั้นพอแล้วละคือคือตัว ทั้งสองตัวนั้นมันถูกทั้งคู่อ่ะเราไม่ต้อะทุกอย่างเกิดแล้วดับเราไม่ได้เจตนาให้เกิดนะมันเกิดออกมาเองใช้ได้แล้วเราอีกข้อนหนึ่งก็คือการการนั่งสมาธิครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเรานั่งนั่งจนสมาธิมันเกิดกับกับการตามรู้ไปจนสมาธิมันเกิดเนี่ยมันมันมันเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะ่าถ้าเราเจตนาจะพักนะเราก็น้อมใจไปสบายๆอยู่ในอารมณ์มันเดียวพักเลย น, นี่คือทำสมถะเลยอีกอย่างหนึ่งเราตามรู้ไปด้วยตามรู้ไปด้วยถึงจุดหนึ่งจิตมันเข้าสมถะเ mm. ข้าพักเองอันนี้เราเดินวิปัสสนาอยู่แล้วจิตมันพลิกเป็นสมถะเองมีได้ทั้งสองแบบแต่มันให้ความรู้สึกที่มันเหมือนกันไม่เหมือนกันทีเดียวไม่เหมือนทีเดียวตรงที่มันเดินปัญญาแล้วเข้าพักเนี่ยมันพักไม่มาก mm. นะพักไม่มากไม่แนบแน่นไม่ลึกซึง้ง mm. ไม่ซาบซ่าเหมือนตอนที่เราทำสมถะแท้ มันเพี้ยแายว่าเดินเดินแล้วมันก็หยุดเดินนิดหนึ่งเดี๋ยวมันก็เดินต่ออย่างเงี้ยมันไม่ถึงขั้นลงนอนแล้วก็อีกอีกข้อ น, นึงครับคือเวลาเวลาเราจะนั่งสมาธินี่คือผมผมควรจะทําความสงบก่อนหรือว่าหรือว่านั่งนั่งดูจิตไปจนจิตมันสงบแล้วให้มันมันมี2อย่างไงถ้านั่งถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปเลยถ้าดูไม่รู้เรื่องทําความสงบไปเลย อ, อ๋อครับนะขอบคุณครับเนี่ยคาถามอย่างนี้นะถ้าไม่ภาวนาถามไม่เป็นหรอกเนี่ยเช่นพบว่าความสงบมี2อย่าง มัอันหนึ่งน้อมจิตเข้าไปพักผ่อนเลยสงบเลยอีกอันหนึ่งเดินปัญญาอยู่แท้ๆเลยจิตพลิกเข้าหาความสงบเป็นช่วงๆนะถ้าไม่ภาวนาถามอย่างนี้ไม่เป็นหรอกนี่อย่างนี้ถึงจะใช้ได้แสดงว่าไปภาวนามาบางคนไม่มีอะไรมันมาตั้งแต่งกันบ้านหน้าวัด น, นี่เองนะร้อก้าสบแปดกลับมาการหลวงพ่อครับอ่านหนังสือแล้วก็ฟังซีดีพระอาจารย์มาเกือบปีครับเพิ่งมีโอกาสได้สอบถางเป็นครั้งแรกครับ สเดือนแรกเนี่ยรู้สึกมันโปร่งโล่งเบานะครับแล้วก็แต่6เดือนหลังเนี่ยสเดือนแรกสาเดือนตรง6กถึงเนี่มันหนักหนักหน่วงหน่วงถึงตอนนี้ก็ซึมซึมไม่มั่นใจว่าบางคือตอนแรกนะเรารู้เป็นธรรมชาติแล้วยังรู้ไม่เป็นแต่มาเรารู้ว่ารู้ยังไงนะมันจงใจจะรู้มันจะหนักหนักแน่นๆนะนี่ดูไปเรื่อยบางทีใจไม่มีแรงพรอมก็เฉยเฉยเนยเนยมืดมืดโมโมวไป งั้นคุณรู้เล่นๆไปเรื่อยนะดูเล่นๆอย่าหวังผลเราไปคิดถึงช่วงแรกอ่ะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นใจเรามีความอยากไม่ไมเป็นอีกนะดูเล่นๆดูสบายๆไปเราไม่ได้ภาวนาเอาสิ่งนี้หรอกไม่ได้เอาสว่างเอาสงบเอาสบายเอาสุขอะไรเราพาวนาเพียงเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมาเราก็ไปคุณเห็นไหมตรงนี้ครับนะเียนเป็นมักพักครับนั่งรู้ไปอย่างสบายๆนี่แหละแต่วันทุกวันทําในรูปแบบบ้างนะ การทําในรูปแบบไม่ใช่ไปนั่งบังคับตัวเองให้เคร่งเครียดนะแค่ว่ายพระสวดมนต์ไปสวดมนต์เช่นอะระหังสัมมาใจลอยแวบรู้ทันสัมพุทโทธพัควาหนีอีกแวบหนึ่งรู้ทันรู้บ่อยๆนะต่อไปจิตมันค่อยสงบจิตมันไม่ดิดดิ้นไม่หนีไปจิตค่อยสงบลงมานะแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ถัดจากนั้นมาเจริญสติในชีวิตประจำวันจิตไหลนี้เดียวก็เห็นละนะอย่าไปกลัวจิตที่มัว จิตที่มัวก็จิตอย่างหนึ่งเกิดแล้วดับเท่าๆกับจิตที่สว่างนั่นแหละนะถ้าใจระวังตรงนี้ได้ยอมตรงนี้ได้นะต่อไปมัวก็ไม่เป็นไรสว่างก็ไม่เป็นไรเท่าๆกันนะภาวนาะจนเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับ 97, 97้าเจิบเจ็ดชิญหลวงพ่อครับคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าฟุ้งซ่านมากให้ไปดูลมหายใจครับพอไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ย ยังหาที่เหมาะสมไม่เจอที่พอดีไม่เจอครับก็คือถ้าถ้ารู้สึกม้เบาจิตคุณสงบกว่าแต่ก่อนครับแต่ถ้าถ้ารู้เบาไปเนี่ยก็รู้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเคลิมครัเคริ้มถ้าเบาแล้วแต่แต่ถ้ารู้มากไปเนี่ยก็จะอึดอัดครับใช่แต่ถ้าไม่รู้เลยก็จะคิดคิดไปเรื่อยเรับน่นฟุ้งไปเลยครับนะที่มีที่ผิดเนี่ยตรงที่ไม่ไม่รู้เลยนะเนี่ยลงไปครับตรงที่จ้องไว้อย่างแรงนะก็เครียดนี่บังคับตัวเองไป พอรู้เบาไปนะสติอ่อนไปใช่ไหมใจก็เคลิมครับแล้วตรงพอดีนี่ตรงไหนครับพอดีตรงที่รู้ทันเด้อยความเป็นกลางเช่นใจเคลิมไปรู้ว่าเคลิมใจไหลไปคิดรู้ว่าไหลไปคิดใจเครียดขึ้นมารู้ว่าเครียดอยากให้หายเครียดรู้ว่าอยากครับแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยผมจะคิดเยอะนี่ผมจะจะท่องสวดมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งทั้งวันได้ไหมครับได้แต่ถ้าเรามีงานที่ต้องคิดก็ต้องคิดนะครับมาสวดมนต์เดี๋ยวเขาไม่จ้าง ครับนะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ดูจิตแอ บ, บคิดผ ม, ไ ม, ไ, มไม่ไม่ทันได้เห็นนะครับขอสักสอาแว บ, บได้ไหมครับอย่าตอนเนี้หลงคิดอยู่รู้สึกไหมมันลืมตัวเราเองไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่มันโมตแต่พูดใช่ไหมครับใช่เวลาพูดมันก็ต้องคิดใช่ไหมครับนะน่าใจมันเป็นหลงไปมันลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจนะเมื่อนั้นเรียกว่าหลงย่งขนาดนี้หลงอีกแล้วรู้สึกไหม คือไม่ไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหม <S 1> <S 1> ใช่ไม่รู้สึกตัวแต่แ ต, แต่ที่มันไหลไปข่าวก่อนเนี่ยมันมันมันติดใจครับเพราะมันเห็นมันมันวิ่งไปได้ครับ <S 1> <S 1> เออดีที่เห็นนะครับเราไม่ประคองไว้แค่เห็นว่ามันวิ่งไปพารู้ทันนะจิตที่วิ่งก็ดับไปเกิด จ, จิตที่รู้ว่าวิ่งจิตที่รู้ว่าวิ่งไม่ได้วิ่งหรอกครับแ ต, แต่แต่ถ้าอยู่เองมันจะมันจะไม่เห็นนะครับแล้วพยายามดูซิครับจะให้หลวงพ่อพาดูทุกวันมันก็ไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อนี่ขอบคุณครับนะเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วต่าไปข้างหลังละ กั บ, ก, บ ก, การมาสการหลวงพ่อครับที่เมตตาก่อนช่วงก่อนหน้านั้นนี่ก็ เ, เห็นจิตดูเวลากระพริบตานี่ก็รู้ครับไม่แน่ใจว่ารู้เกินจริงหรือเปล่าครับหลวงพ่อคือตัวตัวนี้นะถ้าเกินไปเนี่ยจิตจะแน่นๆจิตจะเครียดเครียดแข็งแข็งแต่ถ้ารู้เป็นธรรมชาติธรรมดาจิตจะโปร่งโล่งเบาสังเกตใจของเรานี่ยง่ายง่าย ไม่ทราบว่าของผมนี่หลวงพ่อแนะนําให้ดูจิตที่ไม่ตั้งมั่นและไม่เป็นกลางไม่ทราบจะพอไหมครับเพราะว่าปกติงานที่ทําในชีวิตประจําวันนี่ทําให้ฟุ้งซ่านมากครับพอใช้ความคิดกไม่เ<ไ>ป็นไรเวลาทํางานก็คิดไปนะเดี๋ยวเขาไม่จ้างคิดคไปแต่เวลาหมดเวลาทํางานแล้วเนี่ยรู้ทันไปบ่อยๆหรือเวลาทํางานอยู่แล้วเกิดขี้เกียจใช่ไหมรู้ว่าขี้เกียจทํางานไปแล้วคนพว่าเราว่าทำไม่ดีนะโมโหหรือว่าโมโหอนะไรเงี้ย อยากจะทำงานให้เสร็จโทรศัพท์มาบ่อยๆหงุดหงิดรั่วหงุดหงิดอย่างนี้ใช้ได้นะเวลาที่เหลือนะ่าตั้งใจทํางานช่ว ง, งสัปดาห์ที่แล้วนี่กลัวตายมากเลยครับหลวงพ่อห่วงไปหมดเลยฮะไม่แน่ใจว่ามณฑอัตตาขึ้นมาเต็มไปหมดเลยฮะผมไม่ไม่แน่ใจว่าการภาวนานี่หลงทางหรือเปล่าครับถ้าเราเห็นกิเลสได้นะดีแล้วละ่ะภาวนาไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้ใจโล่งว่างอะไรหรอกกิเลสเกิดรู้ว่ามีกิเลสนั่นะแหละดีที่สุดแล้วละ่ะ ไม่ทราบหลวงพ่อจะชี้แนะอะไรไหมครับขณะนี้ประคองอยู่หรือเปล่าตอนนี้ประคองครับตื่นนะเต้นครับออปล่อยมันซะใช้ได้อยู่นะนี่พอนะแล้วค่อยๆสังเกตเวลาเรารู้สึกตัวเนี่ยมันรู้เข้ามาถึงจิตถึงใจเราจริงไหมหรือรู้แล้วใบว่างๆอยู่ข้างนอกนะใจเข้าถึงกายถึงใจได้จริงไหมค่อยๆสังเกตเอาตรงนี้นะหลวงพ่อแล้วจะทำยังไงถึงจะได้เดินปัญญาบ่อยๆครับในปั ญ, ญญาจิตต้องตั้งมั่นก่อนคือถ้าไม่เหตุของปั ญ, ญญาก็คือจิตต้องตั้งมั่นใช่ อภิธสอนไว้นะว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาครับงนั้นใจต้องตั้งมั่นปัญญาถึงจะเกิดครับแต่ใจตั้งมั่นไม่ได้ตั้งด้วยบังคับนะใจมันตั้งมั่นเรารู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นมันตั้งได้เองเอาต่อไปข้างหลังเชิญเท่าที่จําเป็นนะเอาด้านหลังเอาแต่หลังสุดเลยร7 1ยใครใจลอยบ้าง ใครใจลอยจนไม่รู้ว่าหลวงพ่อถามว่าใครใจลอยบ้างเชิญเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วฮะประมาณปลายเดือนสิบอ็ะฮะมาหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้เอาเผลอไม่ให้เอาเพง่งตอนเนี้ยมันมีอยู่ว่ามันเผลอแล้วก็มันก็เพ่งบ้างแล้วเราก็เห็นเห็นเสร็จแล้วก็บางทีเนี่ยมันเผลอยาวบางครั้งกิเลสยอมใจได้ดีแล้วดีแล้วดีที่เห็นแล้วนะ ที่หลวงพ่อสอนเราแทบเป็นแทบตายก็เพื่อให้เห็นสภาวะอย่างนี้แหละเรารู้ทันใจของเราไปเรื่อยนะอยู่ในลอ้ อ, ลอยอยู่มากๆเลยขอบคุณครับแปนะอยู่ข้างหน้าข้างหน้านมนสารสกจ้าคหลวงพ่อมไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีคะ่ะแล้วภายในหนึ่งปีนี้ก็เกิดความเสียหายบ้างที่ไม่ได้ส่งช่วงประมาณกลางปีช่วงโพนาช่วงนั้นจะเครียดมาก หนูก็มารู้สึกตัวว่าต้องทำอะไรผิดแน่นอนอจนกระทั่งวันหนึ่งก็นั่งก็เป็นอีกหนูก็ไปเห็นว่าอ๋อเราไปเพ่งตัวรู้จนกระทั่งหลุดเกิดความสบายใจเกิดความโล่งอะคะ่ะแล้วก็มาเป็นอีกหนูก็เลยลุกไปเดินแทนเพื่อให้จิตเคลื่อนไหวเสร็จแล้วก็ดีขึ้นค่ะแล้วจนมาอีกสักระยะหนึ่งเป็นครั้งที่เห็นไตรักครั้งแรก ช่วงนั้นมีอยู่วันหนึ่งหลานโทรมาบอกว่าลืมกุญแจไว้ที่บ้านหนูก็บอกอ่าเดี๋ยวดูให้สักพักเขาก็โทรมาอีกบอกหนูก็บอกว่าเจอแล้วดอกนี้ใช่ไหมพ่อไม่ใช่เสร็จแล้วหนูก็เข้าไปหาใหม่กลับมาก็โทรไปหาเขาว่าเจอแล้วกุญแจดอกนี้ปรากฏว่าเขาไม่รับสายสักพักหนึ่งเขาก็โทรสวนขึ้นมาช่วงนั้นโกรธคะโกรธเสร็จแล้วหนูก็ดูความโกรธดูไปเรื่อยๆ เอ๊ะทำไมไม่หายก็โทรก็ต่อว่าเขาว่ากําลังยุ่งอยู่โทรมาเวลาโทรไปแล้วทําไมไม่รับเสร็จแล้วหนูก็ไม่หายไม่หายเสร็จปุ๊บโอหนูก็เห็นว่าอ๋อจิตมันเป็นแสดงไตลักษ์จะโกรธเราก็บังคับไม่ได้ให้หายโกรธก็บังคับไม่ได้ปรากฏว่าโล่งเหลือแต่ความสุขขึ้นมาผุดขึ้นมาแทนจนกระทั่งหลายๆครั้งที่ภาวนาจนกระทั่งปัจจุบันเลยค่ะก็บางวันเนี่ยมีความสุขมากบางวันก็ ไม่มีความสุขเลยหนูก็เห็นก็วาเขาสอนไตรักษ์อีกออคือเราบังคับไม่ได้เลยแล้วปัจจุบันเนี่ยค่ะคือปกติเนี่ยภาษาที่มากระทบหรือว่าความคิดที่ ท, ท, ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะให้ค่าบวกค่าลบอกุสนกัศลุสนปัจจุบันเนี่ยมันไปเห็นว่ามันไม่มีค่าบวกค่าลบาาานะคะหลวงพ่อเห็นว่ามันรู้สึกมันเฉยเฉยกระทั่ง การชมของคนอื่นที่ชมเราไปดูนะยังไม่เฉยจริงดอกไม่จริงใช่ไหมคะมันเฉยเพราะว่าจิตเรานิ่งไปถ้าเราประคองจิตนิ่งอยู่ตรงนี้นะใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยนะแต่บางครั้งผัสสะที่มากระทบหรือว่าสิ่งที่เห็นทางอายตัญญาค่ะหลวงพ่อบางทีเราก็ไปให้ค่าอีกเหมือนกันแต่เมื่อเรารู้ตัวแล้วจริงมันยังมีกลับมาให้ค่าอีก มี อ, อีกใช่ไหมค ะ, ะแต่เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วบางครั้งเราก็ไปให้ค่ายินดียินร้ายหรือว่าเฉยเฉยไม่เป็นไ ร, รเรามีหน้าที่ตามดูเท่านั้นเองนะมันยินดียินร้ายขึ้นมาก็รู้มันไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็รู้อีกเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยไม่ใช่ภานาเพื่อจะให้มันไม่ยินดียินร้ายอะไรหรอกค่ ะ, ะแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าหนูต้องติดตัวไหนบ้างไหมคะผู้ว่ามันเหมือนบางครั้งเหมือนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆนะ เวลาใจฟุ้งไปก็รู้ใจเราไปบังคับมันไว้ก็รู้ใจเราเป็นยังไง ร, รู้ซื่อๆรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะมันโลง่งๆว่างๆไม่รู้ว่ารู้อะไรก็รู้ว่าโลง่งๆว่างๆนะมันมีให้รู้ตลอดแล้วอ๋อหลวงพ่อก็คือคืออย่างนี้ค่ะบางครั้งอะ่ะมันเหมือนการที่เราไม่ตั้งใจะคะ่ะแล้วที่หลวงพ่อเคยบอกว่ามันเฉลียวไปเห็นอมันจะตรงนั้นน่าจะดีใช่ไหมคะตรงนั้นมันดีแต่ว่าถ้าอยู่ๆมันจะเฉลียวเองมันไม่ยอมเฉลียวเนี้ยนะก็ต้องจงใจรู้ไว้ก่อน นะอยู่ๆแล้ใจลอยอยู่ทั้งวันนะบอกว่าจะลอยให้เฉลียวเองบางทีมันไม่ยอมเฉลียวเราก็ต้องเจตนาดูคอยสังเกตไปเรื่อยนะคอยสังเกตเอานะไนะม่งั้นมันนานไปกว่าจะรู้เก้าิบสี่ขคุณค่ะเอาย่อๆนะจะขอโอกาสครับคือตอนนี้ในช่วงวในชีวิตประจาวันเนี่ยก็รู้สึกว่ามีสติอยู่เรื่อยครับแต่ว่าในช่วงที่ตอน ตอนในรูปแบบอะครับรู้สึกว่ามันเหมือนกับเวลาเราดูจิตไปสักพักนึงมันมันเหมือนมันไม่ชัดครับอืมันเหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่นยังไงไม่รู้คือถ้าถ้ามันเป็นชว่วครั้งชว่วคราวไม่เป็นไรนะแต่ถ้านั่งทุกทีเป็นทุกทีก็กระดุกกระดิกหน่ อ, เ, อ, อเป็นบ่อยครับช่วงนี้เป็นเกือบทุกวันแต่บางครั้งนะทั้งทั้งที่กระดุกกระดิกอยู่นะมันก็จะรวมลงไปอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ว่ามัน บางครั้งบางช่วงของการภาวนาจิตมันมีนิพพิทาขึ้นมากับโลกข้างนอกนะมันเหมือนจะหลบเข้าข้างในอยู่เรื่อยๆก็แค่รู้ไปไม่ไม่ต้องแก้ไขครับคือถ้าถ้ามันมันเป็นช่วครั้งช่วคราวไม่เป็นไรนะแล้วถ้ามันเป็นเพราะความจิตมันเอื่มละอากับโลกก็แค่รู้ว่ามันเอื่มละอาแต่ถ้านั่งแล้วโมหะแทรกเคลิ้มอยู่ื้วยนะก็กระดุกกระดิกไว้มันมันมีสภาพเหมือนกับว่าเราเราก็ดูอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือนมันไม่ชัดครับ ไม่ทราบว่าเพราะมันไม่มีกําลังหรือเปล่ารแรงอาจจะไม่พอนะพยายามกระตุ้นความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นหน่อยอว่าเปลี่ยนมาเดินจงกรมใชใช่คือเ ด, ด็กว่าโมหามแทรกครับขอขอขอนุญาตหลวงพ่อช่วยแนะนําให้ให้ลูกหน่อยครับไห<ใ>นแต่ว่า<น>เขาเขาไม่อยากส่งการบ้านครับแต่เขาอยากปฏิบัติครับจีบขวบแล้วสิบสามครับไหนให้หลวงพ่อดูหน้าหน่อยพ่อแหละไปสอนไปครับขอบพระคุณครับร้อยสิบร้อยสิ เด็กช่วงนี้หนะ้าบังคับมากไม่ได้นะ mm hmm. เด็กช่วงนี้เราจะไปคิดว่าปั้นได้อย่างใจเราไม่ได้แล้วสิบสามแล้วโตวแล้วให้เขาเรียนรู้เอาเอา้าวว่างไงนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ประมาณปีที่แล้วนะคะก็คือที่มาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าให้ปฏิบัติในรูปแบบทีนี้อยู่ก็นั่งสมาธิรู้สึกว่ามันหลับนะคะเราก็เลยใช้วิธี สวดมนต์ตอนเช้าบนรถไฟฟ้านะคะแล้วก็เดินจงกรมตอนที่เดินขึ้นลงสหานีอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเออเวลาอื่นเราก็เดินนะเดินในธรรมดาเนี้ย เ, เดินแล้วก็รู้สึกตัวเอาคือเก็บคะแนนเล็กๆน้อยๆนะทั้งวันเนี้ยเอาเรื่อยๆเลยก็เลยนาทีสองนาทีเราก็ดูคิดว่าแบบนี้จะใช้ได้หรือเปล่าคะหมายถึงว่าต้องมีเวลาที่เป็นของมันโดยตรงหรือว่าทําไปควรควรแบ่งเวลาทําโดยตรงไว้บ้าง แค่เราจเจริญสติในชีวิตยอย่างเดียวนานไปแล้วแรงไม่พออย่าของคุณตอนนี้แรงไม่พอค่ะแล้วก็บางครั้งก็เท่าที่รู้สึกนะคะรู้สึกว่าเห็นตัวเองเป็นคนไม่ค่อยดีจนรู้สึกชิงชังเลยว่ารู้สึกพอยชิงชังนะสงสารมันสงสารมันด้วยนะต้องเมตตาตัวเองด้วยนะค่ะแต่เดิมเราไม่เคยเห็นกิเลสของตัวเองเราพอนาแล้วเราเห็นกิเลสของตัวเราเองเราจะดีขึ้นแล้วล่ ะ, ะกิเลสมันจะครอบเราไม่ได้แล้ว คือบางทีรู้สึกไม่ชอบตัวเองเลยนะเนี่ยเบยอย่าไปเกลียดมันค่ะ <c oughs> แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะรู้สึกเหมือนนี่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะมันเห็นเหมือนมันมืนมันซ้อนกันนะคะตัวเรามันเมืนเป็นสองชั้นอะไรเงี้ย น, นั่นแหละภานาอย่างนั้นดีเขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็รู้ไปนะถ้ามันเป็นรวมเหลือตัวเดียวก็รู้นะค่ะแล้วพอพอรู้สึกเจอปุ๊บก็ตกใจแล้วก็อยากดูแล้วก็หายไปถ้าอยากแล้วไม่มีอีกละ รู้เล่นๆไปนะต่อไปจะมีคนหนึ่งแสดงคนนึงดูอยู่อย่างนั้นทั้งวันเลยค่ะแล้วต่อไปแล้วหนูต้องทํำยังไงต่อบ้างกับฝึกอย่างนี้แหละนะทําในรูปแบบบ้างละค่ะแบ่งเวลาไว้ทํานะจะช่วยให้แรงมากกว่านี้ค่ะ77กราบนวัตสการหลวงพ่อค่ะพอดีช่วงนี้ที่ปฏิบัติก็แบบเหมือนมันเริ่มรู้เยอะขึ้นนะคะเห็นตัวตนของตัวเองแบบว่าทั้ง ได้ยินทั้งเห็นไงค่ะแล้วมันก็จะผุดขึ้นมาเหมือนกับว่าไม่ชอบใจชอบใจอะไรเงี้ยค่ะดีดีดแล้วก็เมื่อเช้านี้ตอนรู้กายมันรู้เหมือนกระจายกระจายอะค่ะอแต่ตอนนี้มันก็มันก็หายแล้วอะค่ะอย่าให้กระจายไปนะให้คอยรู้สึกอยู่อย่าให้เกินร่างกายห่างออกไปให้รู้สึกในกายในใจเรื่อยเรืดีแล้วล่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนำอะค่ะไปทําอีกสินะจิตขณะนี้ตั้งมั่นไหม จิตขณะเนี้ยตอนนี้มันตื่นเต้นนะเออถูกมันผิดปกติดูออกไหม<ะ>ถ้ารู้ว่าผิดปกติใช้ได้8ปสหข้างหลังกับนมัส ก, การนะครับหลวงพ่อวันีผมฟังซีดีหลวงพ่อประมาณได้สามเดือนนะครับอยากทราบว่าผมปฏิบัติเห็นกิเลสไหมตอนแรกก็เห็นทุกวันเลยครับ มันมันนี่เห็นไหลหวัวนยังย่งอู้เยอะมากครโอ้แทเห็นเยอะมากเลยพอหนบเป็นสิบางทีก็บางทีก็บูบบาง ท, มทีมันหนูว่ามีกิเลสอยากได้ปุ๊บตัวนึงมันหมนูว่าปุ๊บบูบสีขาวมาปุ๊บหายไปเลยอ่ะฮะผมว่มันจริงหรือเต่าฟังสีริหลวพ่อตลอดมันคิดปเองหรือเปล่าจริงสิคนอื่นเขาฟังเขาก็เห็นนะเขาฟังกันทั่วโลกแล้วเขาก็เห็นทั่วโลกเหมือนกันผมก็อยากทราบว่าตอนนี้ผมเดิมวิปัสสนา ได้ยังครับมันเดินอยู่แล้วล่ะนะครับการที่มันเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนั่นคือการเดินวิปัสสนาก็เห็นกับที่เราเห็นเปิดตาดูมองใช่ไหมครับกับทำนั่งสมาธิเนี่ยตอนที่เราดูจิตอยู่ใช่ไหมครับแ ล, แล้วก็เราก็เห็นเก็บมันคิดแต่าแรกก็คิดยาปุ๊บตามทำตามทันเรื่อยแล้วก็ช่วหลังมันจะซาดลงสซาดล ง, ลงมืนกับปิกหน้ากระดาษอะแต่ว่าเรามันไม่เข้าถึงจิตใจเราอะฮะจนทามันวูบลงไปอะครับอมุบ เฮ้ยรูปแบบสมถะเหมือนกันหรอเปล่าผมยังไม่ทราบผมเนี่เป็นไรมันเป็นสมถะก็ได้มันจะออกขาวขวยิบๆแล้วก็คนลุกนั่นแหละเป็นสมถะนะอืมผเวลาเราเดินปัญญาเดินวิปัสสนาเนี่ยจิตเจะรวมเป็นสมถะเป็นช่วงๆเป็นเองแหละผมก็เอผมก็ในจิตก็ในเจิตก็คิดว่ามันไม่คิดผมว่าเออมันเกิดมามันก็ดับไปคิดแค่นี้ใช้ได้แล้วละดูบ่อยๆอครับ้อยเก้าสิบสี่นี่สามเดือนทําได้อย่างนี้เนาะ พวกหลายปีว่าไงพี่วัยเขินมากกว่าเพื่อนเลยหลายสิบปีนี่คบกันมานานอ้านเชิญการนวัตกรรมหลวงพ่อครับส่งการบ้านในรอบหกเจ็ดเดือนครับยกมือหน่อยไม่เห็นตัวอ้าว่าไปเชิญว่าจะมาส่งหลายเล่าแล้วก็เก็บไปดูก่อนครับแต่คราวนี้ว่ามันแก้ไม่ตกครับอืมตรงนี้ว่ามันเห็นทุกอย่างเกิดระดับครับ บางทีมันก็สอนธรรมะในตัวเองว่าทุกอย่างมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับฮะแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่ากิเลสมันยังกลับกอกอยู่ตัดขาดไม่ได้จริงอ่ะเดี๋ยวก็หยิบเดี๋ยวก็ปล่อยครับไม่ไม่ไม่ขาดหรอกมันต้องตัดด้วยมรคนะหรือจะสมุดเฉดถ้ายังไม่ใช่เกิดอริยมรไม่สมุดเฉดเป็นอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วล่ะครับเห็นโลภะละโทสาวมันขึ้นจากในจิตฮะใช่มันขึ้นจากในกลางอกไงครับใช้งไปปึ๊บ แล้วรู้สึกว่าหนักออกมากเลครับมันรู้สึกว่าพุ้ยมันทำไมมันทุกข์จังเลยอะไรเ ง, oh, งี้ยเออภาวนาดีครับแล้วก็เลยรู้ทันว่าอ๋อจิตเราเริ่มไม่เป็นกลางแล้วเราเริ่มไม่ชอบมันละก็ปล่อยวางมันก็ดับไปแต่คราวนี้โลภะก็แทรกขึ้นมาอีกครับแทรกมากๆากปุ๊บไม่รู้จะทําไงก็ต้องมาดูลมหายใจอีกทีดังนันแล้วมก็หายไปไม่ดูโลภะล่ะให้ดูโลภะไปนะครับเห็นไหม ใ, ใจเราไม่เป็นกลางกับโลภะครับนะเนี่ยคอยรู้รู้สภาวะนะแล้วก็รู้ทันจิตเช่นราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันจิต จิตไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางจิตตอนนี้มันมีความสุขครับแต่มันแบบมันเหนือนว่าอยู่นอกๆครับมันไม่เข้ามาถึงฐานเนี่ยดูบอกว่าอยู่ข้างนอกมันแบบมีความสุขดีครดีที่รู้นะแต่อย่าติดในความสุขนั้นนะมันต้องกลับเข้ามาข้างในกลับแก้ไงครับผมขอคำแนะนำครับแค่รู้ว่าว่ามันอยู่นอกรู้ว่ามันอยู่ข้างนอกนะมันจะกลับเข้าฐานเองแต่ว่าไม่ใช่ประคองอยู่ในฐานตลอดเวลานะประคองอยู่ในฐานตลอดเวลาก็ผิดอีกนะ เพราะงั้นจิตไปข้างนอกก็รู้จิตเข้ามาข้างในก็รู้จิตเป็นยังไง ร, รู้อย่างที่เขาเป็นเรื่อยไปบยเบอร์ร้อยสาวนาดีคนนี้ผมอยากถามว่าระหว่างหัวเลาะกับไม่หัวเลาะนะครับที่หลวงพ่อพูดเมื่อสักครู่จิตมันมันขำก็ได้ไม่ขำก็ได้เนี่ยมันมั น, ม, นมันต่างกันตรงไหนครับมันเป็นเองไหมหรือว่าเราควบคุมได้ผ ม, ผมไม่แน่ใจว่าผมคุมหรือว่ามันเป็นเพราะเราเราเราภาวนาอยู่เราภาวนาอยู่นะ อย่างเรารู้ทันอยู่เนี่ยถ้ามันจะขาขึ้นมานะเรายอมคล้อยตามไปมันก็ขาแค่เรารู้อยู่มันก็ดับไปครับ<น>ะอย่างอย่างนี้ผิดปกติหรือไม่ผิดไม่ผิดเป็นปกติครับ เ, เมื่อสักครู่ข้อที่สองนะเมื่อเมื่อผมเดินเข้ามาผมมาครั้งแรกนะะผมมาเห็นที่ฐานพระนะมีความรู้สึกว่ามันเข้าใจแล้วมันขนลุกไม่ทราบ ม, มันเกิดอะไรขึ้ น, นถ้ามันมีปัญญาขึ้นมานะจิตมันเกิดปีติขึ้นมาครับ มันมีความรู้สึกว่าทําไมอ่านแล้วเข้าใจมันเข้าใจสิเพราะว่าของโยมนะใจมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วครับสังเกตไหมโยมดูออกมไหมว่าจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งตอนนี้ดูได้แล้วใช่ไหมครับพอได้เห็นไหมว่าทุกอย่างไม่ใช่จิตหรอกทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปจิตอยู่ต่างหากนะธรรมดามาก่อนไม่ค่อยเข้าใจนะวันนี้ผมอ่านแล้วทำไมผมเข้าใจมากกเดี๋ยวนี้สติปัญญาเราแก่กล้าขึ้นครับมันเหมือนอย่างธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศนะ ท่านก็เทศเหมือนเหมือนกันแหะปกติบางวันก็เทศบางช่วงเทศแต่เรื่องอริยสัจอะไรเงี้ยอย่างถ้าฟังนะบางทีก็ฟังก็อย่างงั้นๆน่ะถึงเวลาที่แก่กล้าพอก็เข้าใจครับผมคิดว่าพยายามเข้าใจอริยสัจมากขึ้นนะครับขอบพระคุณครับเบอร์ส0งรกับกับถามหลวงพ่อตอนกิเลสเกิดเรารู้อยากให้มันดับเราก็รู้แต่มันมันก็ยังไม่ขาดเราก็คิดน้ำว่าเดี๋ยวมันก็เกิดดับเกิดดับ แต่มันก็ยังไม่ขาดเราต้องใจไม่เป็นกลางโยมนะปัญหาก็คือใจไม่ชอบให้โยมรู้ตรงที่ใจไม่ชอบนะถ้าความไม่ชอบดับใจเป็นกลางปุ๊บกิเลสดับทันทีเลยไม่ต้องทำอะไรหรอกดับเองแ ต, แต่ถ้าเรายังไม่ชอบอยู่ใจเราดิ้นดิ้นกิเลสไม่ดับนะที่ปฏิบัติอยู่ต้องต้องแก้ไขอะไรไหมครับรู้ไปอย่างสบายๆนะอย่ารีบร้อนนะใจร้อนไปนิดหนึ่งเมื่อ79ปคนสุดท้ายแล้ว กรับนมัส ก, การเจ้าค่ะตอนแรกโยมดูหลงคิดเจ้าค่ะแล้วก็มันรู้สึกว่าเหนื่อยมากหลวงพ่อให้โยมไปทํางานบ้านตอนนี้เนี่ยมันเป็นกลางมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็ความเหนื่อยน้อยลงแล้วก็เริ่มเห็นว่าทุกอย่างที่มันทําเนี่ยเพื่อรักษาอัตราตัวตนเริ่มต้อง เ, เลยเริ่มเห็นว่าร่างกายบางส่วนมันไม่ใช่เราเจ้าค่ะไปทํางานต่อนะเจ้าค่ะทําไปด้วยเราพอน า, ย อ, ย า, น า, นนาอย่างนี้แล้วเราเจริญขึ้นเราก็ทําอย่างนี้แหละเจ้าค่ะ เรออยายมต้องปรับปรุงอะไรอีกไหมเจ้าคะ่ะก็ดูไปสํารวจไปนะกุศลอะไรยังไม่ได้ทำอกุศลอะไรยังไม่ได้ละนะอย่างสมมเราชอบพูดเล่นอ่ะสมมุตินะหรือเราชอบแซวชอบอะไรเงี้ยเราก็รู้เราขี้โมโหอะไรเงี้ยเราก็รู้นะเราดูไปว่าอะไรที่ไม่ดีที่เรายังไม่ได้ละอะไรที่ดีที่เรายังไม่ได้ทํำก็ให้สำรวจไปได้ดูไปได้นะเก่งเนาะใช้ได้อยู่ไปดูไปทํางานบ้านต่อ เอาเชิญกลับบ้านไปเจริญเมตตาไว้นะแต่ละคนเจริญเมตตาไว้ไปเจอรถติดก็เออธรรมดามันต้องติดวะก็มันมีรถเยอะนะ